บทที่สเรื่องลาบคำว่าลาบแปลตรงตัวว่าได้หมายถึงการได้มาแต่ในภาษาไทยชาวบ้านมักจะเอาคำว่าลาบนี้เป็นคำใช้หมายถึงของที่ได้เช่นพูดกันว่าได้ลาบหรือมีลาบคือเติมคำว่า ได้หรือมีเข้าไปข้างหน้าคำว่าลาบอีกทีหนึ่งซึ่งเป็นที่รู้จักกันว่าหมายถึงอะไรลาบที่แปลว่าได้นั้นหมายถึงการได้มาซึ่งสิ่งอันพึงใจเท่านั้นจะเป็นได้อะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นสิ่งที่พอใจของใครก็เป็นลาบของผู้นั้นแต่ถ้าได้สิ่งที่ไม่พอใจ คือไม่อยากได้แต่ไปได้เข้าอย่างนั้นไม่เรียกว่าลาบชาวบ้านเรียกว่าเคราะห์และที่ว่าพึงใจหรือไม่ปึงใจในที่นี้เอาใจของผู้ได้นั่นเองเป็นเครื่องตัดสินของสิ่งเดียวกันคนหนึ่งได้ถือว่าเป็นลาบอีกคนหนึ่งได้ถือว่าเป็นเคราะห์ทั้งนี้ก็เนื่องด้วยความต้องการของแต่ละคนไม่ตรงกัน แม้ของที่คนแทบทั้งโลกเขาถือว่าเป็นลาบแต่คนบางเหล่ากลับเห็นว่าเป็นคราะห์ก็มีจะเล่านิทานสุขกันฟังเป็นนิทานสั้นๆเรื่องว่าดังนี้ตอนนิทานดาบทสาบานมีคนอยู่สามคนดูเหมือนว่าจะเคยเป็นพระราชามาแล้วพากันเกิดความเบื่อหน่ายโลกเห็นว่า การครองชีพอยู่ในโลกนี้เต็มไปด้วยความทุกข์ต่างๆและทรัพย์สมบัติลูกเมียก็ล้วนเป็นเครื่องผูกมัดให้คนติดอยู่ในโลกคนเหล่านี้จึงพร้อมใจกันทิ้งบ้านเรือนออกไปบวชเป็นดาบทคือนุ่งผ้าขาวห่มผ้าขาวปลูกอาสมอยู่ในป่าจำศีลภาวนาตามวิธีของดาบทตามปกติดาบทเหล่านี้ รับประทานผลไม้เป็นอาหารโดยเที่เอาหาเก็บผลไม้ในป่านั่นเองถ้าวันไหนหาได้มากก็เก็บไว้รับประทานมื้อต่อไปบำเพ็ญตัวอย่างนี้เรื่อยมาทีนี้อยู่มาวันหนึ่งผลไม้ที่ดาบดคนหนึ่งเก็บไว้เกิดหายไปอย่างลึกลับและไม่มีร่องรอยว่าจะมีนกหนูหรือกระรอกกระแตมาขโมยเอาไป ดาบ ท, ที่เป็นเจ้าของก็เกิดสงสัยเพื่อนดาบทอีกสองคนโดยอ้างเหตุผลว่าในป่านี้ไม่มีมนุษย์อื่นเลยนอกจากเราสามคนฉะนั้นท่านทั้งสองจะต้องเป็นขโมยไม่คนใดก็คนหนึ่งหรือไม่ก็สมรู้ร่วมคิดกันทั้งสองคนฝ่ายดาบทอีกสองคนก็ร้อนใจพยายามปฏิเสธว่าไม่ได้ขโมยแต่ก็ ยอมจนด้วยเหตุผลที่จะทำให้เจ้าของผลไม้เชื่อพ้นที่สุดก็เลยทำพิธีสาบานตัวให้ดูเพื่อจะให้เชื่อว่าไม่ได้ขโมยจริงๆคำสาบานของดาบด ท, ทั้งสองนั้นว่าถ้าขพเจ้าได้ขโมยผลไม้ของดาบดคนนี้ไปแล้วไซไปเกิดในชาติใดฉันใดก็ให้ขเจ้าได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิราช ครองอำนาจทั่วพื้นปฐพีมีทรัพย์สินเงินทองนับไม่ถ้วนมีมเหสีนับร้อยนับพันพอดาบทสองคนว่ามาได้เพียงเท่านี้ท่านเจ้าของผลไม้ก็ตัดบทขึ้นว่าผู้เจริญพอแล้วหยุดได้คำสาบานของท่านหน้าหวาเสียวยิ่งนักข้าพเจ้าไม่สามารถจะทนฟังต่อไปได้แล้ว ถ้าท่านยอมที่จะเป็นคนเคราะหร้ายที่สุดในโลกคือเป็นถึงพระเจ้าจักรพรรดิราชเช่นนี้ข้าพเจ้าเชื่อแล้วว่าท่านทั้งสองไม่ได้ขโมยท่านผู้ฟังจะว่าอย่างไรเชื่อหรือไม่ว่าดาบทสองคนนั้นไม่ได้ขโมยคำสาบานแบบนี้ถ้าเป็นคนชาวบ้านอย่างเราเราก็หวานเลยถึงกับจุดทูบจุดเทียนขอกับพระ วันแล้ววันเล่าเสียด้วยซ้าแต่นั่นแหละสิ่งที่คนทั่วบ้านทั่วเมืองเขาถือว่าเป็นลาบก็ยังมีคนอีกจำนวนหนึ่งถือว่าเป็นเคราะห์เพราะฉะนั้นคำว่าลาบลาบนั้นจึงจะหมายถึงการได้มาซึ่งสิ่งอันพึงใจของผู้ได้เท่านั้นนอกจากนี้ความเข้าใจของคนทั่วไปยังถือว่าการได้อะไรมาลอยๆโดยไม่รู้ตัว หรือโดยไม่ได้ลงทุนลงแรงมากจึงถือว่าเป็นลาบส่วนการได้ที่ต้องลงทุนลงแรงเช่นได้เงินค่าจ้างหรือเงินเดือนไม่ถือว่าเป็นลาบเข้าใจอย่างนี้กันเสียมากซึ่งไม่ตรงกับความหมายของโลกธรรมข้อนี้นักตอนลาบขึ้นหน้ากลับไปพิจารณาการจัดลำดับ โลกธรรมอีกครั้งเราจะเห็นได้ว่าในบรรดาฝ่ายโลกธรรมที่คนชอบซึ่งมีอยู่ด้วยกันสี่ข้อลาบท่านเรียงไว้ต้นเป็นลำดับที่หนึ่งหรือเป็นหัวแถวเขาเป็นข้อที่น่าจะเห็นได้อย่างหนึ่งว่าเรื่องลาบเป็นเรื่องใหญ่เกี่ยวกับชีวิตจิตใจของคนเราความจริงก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่า ทั้งคนและสัตว์รักชีวิตของตนและชีวิตอันเป็นที่รักนั้นจะมีอยู่ได้ก็เพราะมีปัจจัยต่างๆหล่อเลี้ยงไว้เช่นอาหารเสื้อผ้ายูกยาและอื่นๆตามที่ทราบกันอยู่แล้วเมื่อรักชีวิตก็ต้องมีความต้องการปัจจัยการต้องการปัจจัยนั่นแหละคือความต้องการลาบหรืออยากได้ลา เพราะการได้มาซึ่งเครื่องอุปโภคบริโภคนั้นเป็นลาบอยู่ในตัวความต้องการปัจจัยเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตนี้เกิดขึ้นก่อนความต้องการอื่นๆทั้งสิ้นในชั่วชีวิตนี้และเป็นเหมือนกันหมดทั้งคนทั้งสัตว์ส่วนความต้องการยศและต้องการให้คนยกย่องสรรเสริญต่างๆนั้นเป็นเรื่องเกิดขึ้นในภายหลังหรือมีใครบ้าง ที่อยากได้เป็นร้อยตรีร้อยโทตั้งแต่อยู่ในเปลหรืออยากให้ชาวบ้านยกย่องสรรเสริญตั้งแต่อยู่ในบอรความต้องการเหล่านี้มาทีหลังทั้งนั้นแต่ความอยากได้ลาบเกือบจะว่าพอเริ่มหายใจก็เริ่มอยากได้แต่ยังพูดบอกคนอื่นไม่เป็นเท่านั้นเด็กที่กําลังร้องไห้พอหัวนมถึงปากก็หยุดร้อง นั่นคือเกิดความพอใจในลาบที่เราพอจะเห็นได้และเมื่อกำลังดูดนมถ้าใครชักหัวนมออกเสียเด็กจะร้องไห้ขึ้นนั่นคือความเสียใจในเรื่องการเสื่อมลาบที่เขาแสดงออกความอยากได้ลาบนี้เป็นความรู้สึกที่มีอยู่ประจำใจจนกระทั่งเติบโตและเมื่อเติบโตขึ้นมากความอยากได้ลาบก็มากขึ้น อยากได้อย่างนั้นอยากได้อย่างนี้จนกระทั่งตัวเองก็หาให้ตัวเองไม่ทันคือความหวังลาบมันพ่องตัวขึ้นยิ่งเมื่อมีครอบครัวแล้วความต้องการซึ่งเคยเพื่อตัวเองคนเดียวกลับต้องถูกขยายโครงการออกไปอีกเป็นความต้องการเผื่อคนอื่นๆด้วยไหนจะเมียไหนจะลูกแล้วยังแถมหลานๆเข้าไปอีก แม้ในที่สุดแห่งชีวิตจริงๆคนเราก็ยังมีความต้องการได้เกิดในชาตินั้นพบนี้ต่อไปอีกความต้องการพบชาติอยากขึ้นสวรรค์มีนางฟ้ามีของทิพย์อะไรเหล่านี้ก็ล้วนแต่เป็นความต้องการลาบทั้งนั้นตกลงว่าโลกธรรมลำดับที่หนึ่งคือลาบนี้ได้เข้าครอบครองใจของทุกคน ก่อนโลกธรรมข้ออื่นๆและถอนการครอบครองหลังจากโลกธรรมข้ออื่นๆทั้งสิ้นในช่วชีวิตนี้เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าเห็นว่าการที่ท่านเรียงล่าไว้หน้าโลกธรรมข้ออื่นๆนั้นจึงเป็นการเหมาะสมเสียจริงๆตอนทัศนะในการหาลากแต่ปัญหาที่ว่า ทำอย่างไรเราจึงจะได้ลาบคนทั่วๆไปมีความเชื่อมั่นต่างๆกันซึ่งเมื่อสรุปเป็นประเภทใหญ่ๆมีสามประเภทคือกไก่เสี่ยงโชควาสนาขอไข่เทวดาอุดหนุนขอควายลงทุนลงแรงประเภทกไก่เชื่อว่าการที่คนจะมีลาบเป็นต้นว่า ได้งานทำได้คู่ครองถูกรอตเตอรี่อะไรเหล่านี้เป็นเรื่องของโชคคือสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เป็นเรื่องอยู่นอกเหนือความพยายามของคนเมื่อถึงคราวจะมีโชคนัง่งนันอนๆอนอยู่เฉยเฉยก็มีราชรถมาเกยเองถึงคราวจะอักโชคแม้จะพยายามดิ้นรนเท่าไหร่เท่าไหร่ก็เหนื่อยเปล่า ไม่มีทางสำเร็จได้เมื่อมีความเชื่อมั่นอย่างนี้ความหวังส่วนใหญ่ก็มอบไว้กับโชคชะตาแม้คิดจะทำงานอะไรก็ถือว่ารอโชคงานที่ออกหน้าออกตาจริงๆคือเที่ยวดูหมอออกวัดนี้เข้าวัดนั้นหมอคนบ้างหมอผีบ้างหมอแผ่นไผ่ใบตองบ้างแล้วแต่ประเหมาะ ทําเนียหมอดูก็มักจะสร้างความหวังไว้ให้ลูกค้าตามลักษณะตัวเลขหรือดาวเดือนเช่นพวกหมอโหราศาสตร์เห็นดาวที่เป็นสีเป็นมูละร่วมลักเลงลักหรือเป็นห้าเป็นส1บอ็ก็ถ่ายว่าอีกสามเดือนเจเดือนจะมีลาบเป็นเงินทองเข้าของหรือบางทีก็พูดไว้เป็นปริศนาให้คิดเองว่า จะได้ของขาวของเหลืองหรือสัตว์สองเท้าสี่เท้าแล้วแต่เรื่องท่านบูใดยอยากดูตัวจริงก็เชิญไปเตระๆแถวบริเวณหน้ากระทรวงยุติธรรมแต่ถ้าจะให้ดีจริงต้องยืนฟังคุณหมอสาธยายให้คู่มาดูฟังสักสองคนคือคนนี้ดูแล้วก็ไปคนใหม่มาดู เราคอยฟังคำพยากรณ์ที่คุณหมอให้แก่คนทั้งสองนั้นเราจะได้ความรู้แปลกอย่างหนึ่งว่าหมอได้สร้างความหวังให้ลูกค้าตรงกันเสียมากในวันหนึ่งหนึ่งกำหนดให้คนถูกรอตอรี่รางวัลที่หนึ่งตั้งหลายคนและถูกที่หนึ่งในงวดเดียวกันก็มากครั้นแล้วผู้เชื่อมั่นในโชควาสนาก็เฝ้าคอยลาบตามที่หมอดูบอก ระยะแรกผ่านไปแล้วก็คอยระยะที่สองที่สาและที่สี่ต่อไปประเภทขอไข่เชื่อว่าการที่คนจะได้ลาบเสียลาบขึ้นอยู่กับประกาศสิทธิ์ของเทพเจ้าหรือผู้ศักดิ์สิทธิ์องค์ใดองค์หนึ่งบันดาลให้เป็นไปคนพวกนี้มักจะถือว่าการอ้อนวอนเป็นสิ่งสำคัญขอให้เจ้าพ่อนั้นช่วยเหลือ ให้เจ้าแม่นี้โปรดปรานพฤติการเช่นนี้มักจะมีอยู่ทั่วไปการอ่อดอ่อนก็เลยติดเป็นนิสัยแม้จะทำอะไรก็ไม่ไวายต้องอ้อนวอนเข้าไว้ชั้นที่สุดเพียงประนมมือไหวไม่ถึงอึดใจก็ชิงฝากคำเรียกร้องขอสิ่งนั้นสิ่งนี้จากท่านจนได้ดูดูเข้าแล้วก็น่าขำและน่าสงสาร วิธีธรรมของคนประเภทนี้นอกจากการคิดอ้อนวอแล้วก็มีการเสี่ยงทายด้วยวิธีต่างๆเพื่อให้เกิดความมั่นใจเมื่อนานมาแล้วขบเจ้อย่างอุปสมบทอยู่และไปจับพรรษาที่วัดเกตการามอำเภอบางคันทีจังหวัดสมุทรสงครามในวิหารที่วัดนี้มีคนชาว บ, บ้านชอบมาขอหวยเสมอ วิธีทำคือเอาถ้วยตะไลใส่หมึกตั้งไว้ตรงหน้าพระแล้วก็วางกระดาษกับไม้ก้้นทู่ไปด้วยพอรุ่งขึ้นเช้าก็มาดูจะมีอรอยขีดเขียนอะไรบ้างถ้ามีอรอยเปื้อนเปลือกจะเนื่องจากมแมลงสาบไตหรือหางจิ้งจกไปจุ่มหมึกแล้วทํากระเด็นไปถูกกระดาษเข้าก็ตามเจ้าของก็เอาไปคิดออกเป็นตัวเลขหรือตัวอักษร แล้วแต่จะเล่นกันเสร็จแล้วก็เอาไปแทงหวยอยู่มาวันหนึ่งเด็กวัดคนหนึ่งที่แกเห็นพฤติการของคนขอหวยมานานแล้วจะนึกสนุกขึ้นมาอย่างไรไม่ทราบแกย่องเข้าไปเอาหมึกเขียนเล่นๆที่กระดาษนั้นแล้วก็ออกมาคุยให้พระฟังและหัวเราะ ก, กันแต่ครั้นฝ่ายเจ้าของมาเจอเข้าเห็นรอยขีดเขียนมากผิดปกติ แกก็ดีอกดีใจคิดว่าพระโปรดปรานครั้งใหญ่แล้วพ่อไปแจ้งหวยเกิดถูกจริงๆแม้พระจะบอกว่าตัวอักษรที่เขียนนั้นนะ่ะเด็กวัดเป็นผู้เขียนแทนที่จะทำให้แกคลายความเชื่อมั่นแกยิ่งเห็นไปว่าหลวงพ่อได้มัดตนใจให้เด็กไปเขียนไว้ไปอ่าโน่นการเสี่ยงทายทำนองนี้ก็มีอีกหลายวิธีด้วยกัน แม้แต่ปูชนียวัตถุต่างๆเช่นพระบูชาผ้าประเจียนตะกรุดผ้ายันก็ถือกันว่ามีอยู่ประเภทหนึ่งที่มีปาฏิหารในการนำลาบมาให้ตลอดจนพวกนังกวากและของวิเศษอีกหลายอย่างมีผู้เชื่อมั่นว่าเป็นของนำลาบมาให้รวมความว่าเป็นพวกเชื่อว่าคนจะมีลาบก็ด้วย เทวดาอุดหนุนประเภทขอควายพวกลงทุนลงแรงคือคนที่มั่นใจว่าลาบจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยการลงทุนลงแรงหมายความว่าต้องมีการประกอบเหตุอย่างได้อย่างหนึ่งพอที่จะได้จิกได้เช่นทำงานดีแล้วได้เงินเดือนขึ้นทำนาแล้วได้ข้าวค้าขายแล้วได้เงิน ดังนี้เป็นตน้นแต่ถ้าพิจารณาข้อเท็จจริงจะเห็นได้ว่ากนััวไปมักจะยึดไว้ทั้งสามหลักตามนิสัยชอบเผื่อเหนียวคือทำงานเป็นการลงทุนลงแรงด้วยคอยให้โชควาสนาอำหน่วยด้วยแล้วก็ยังอ้อนวอนขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆช่วยเหลืออีกแรงด้วยเป็นอย่างนี้แทบทั้งนั้น ที่แยกไว้เป็นสาประเภทนั้นคือแยกความมั่นใจสูงสุดที่แต่ละคนมีอยู่เท่านั้นตอน ล, ล่าพระโลภะการลงทุนลงแรงหาลาบก็เป็นเรื่องที่น่าจะต้องพิจารณาให้ละเอียดอีกหน่อยเพราะการหาลาบเป็นเรื่องใหญ่และยืดเยื้อที่สุดในชีวิตของคนแต่ละคน พวกหาลาบประเภทกอกวายคือประเภทลงทุนลงแรงยังแบ่งออกเป็นสองพวกคือ 1. หาทางทุจริต 2. หาทางสุจริตประเภทที่1เป็นคนมีความอยากได้แรงเกินไปความอยากได้ลาบนั้นถ้าอยากได้แรงแรงเกินไปเจตนาก็กลายเป็นโลภ คือลาปแปลรูปเป็นโลภความจริงลาพักกับโลภะมีเชื้อสายมาทางเดียวกันเหมือนไฟกับควันมักจะเกิดแทรกแซงขึ้นได้เสมอความโลภนั้นเมื่อครอบงาใจไกลแล้วมันทำให้คนนั้นกลายเป็นคนหิวโลภน้อยหิวน้อยโลภมากหิวมากเป็นความหิวที่ต้องบาบัด ด้วยการได้ไม่ใช่ความหิวที่ต้องบำบัดด้วยการกินเป็นธรรมดาของคนเราเมื่อถูกความหิวเผาใจเข้ามากการตัดสินใจเพื่อให้ได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมาบำบัดความหิวย่อมกระทำเร็วคือคนหิวตัดสินใจเร็วกว่าคนไม่หิวนึกถึงคนหิวข้าวหิวน้ำก็แล้วกันเมื่อยังไม่หิวก็รู้จักเลือกอาหาร รู้จักติอาหารที่สกปรกแม้แต่สงสัยว่าจะสกปรกก็ติแต่พอเกิดความหิวสิ่งที่ติก็ลดลงคือสกปรกพอดีบอร้ายหรือไม่เห็นกับตาจริงๆก็ไม่ติกินได้ถ้าความหิวเพิ่มขึ้นการติว่าอาหารสกปรกก็น้อยลงจนกระทั่งว่าถ้าหิวถึงขีสุดแล้ว เกือบจะหาของสกปรกที่น่ารังเกยียจไม่ได้เลยนี่หิวทังร่างกายการหิวทางใจเพราะถูกความโลภเผาก็ให้บังเกิดผลคล้ายๆกันคือถ้าความโลภน้อยก็รู้สึกว่าลาบที่น่ารังเกยียจมีมากแม้แต่เกิดสงสัยว่าลาบที่ได้มานั้นจะไม่ค่อยสุจริตเพียงเท่านี้ก็รังเกยียจครั้นความโลภมากขึ้นไปอีก ลาบที่น่ารังเกียจนั้นก็ลดน้อยลงเนื่องจากมองไม่เห็นความน่ารังเกียจนั่นเองยิ่งทะโลกแก่กล้ายิ่งขึ้นสิ่งที่น่ารังเกียจก็น้อยลงน้อยลงจนกระทั่งถึงที่สุดคือไม่เห็นว่าจะมีอะไรน่ารังเกียจเอาให้ได้ก็แล้วกันถ้าสมมติว่าเรากำหนดความมากน้อยของความโลภเป็นแต้มโลภน้อยแต้มน้อย โลภมากแต่มากก็จะปรากฏดังนี้รูปที่1ใต้คลิปโลคหนึ่งตูงต่เขากินไม่เป็นไรโลคลำดับที่สองกงกินไม่เป็นไรโลคลำดับที่สามขโมยกินไม่เป็นไรโลคลำดับที่สี่ปล้นกินไม่เป็นไรโลคลำดับที่ห้า อะไรๆก็ไม่เป็นไรในกรอบข้างบนนี้ต้องการแสดงให้เห็นง่ายๆว่าถ้าความโลภมีมากขึ้นภาพที่น่ารังเกียจก็น้อยลงจนกระทั่งไม่มีอะไรที่น่ารังเกียจเลยขอให้ได้เป็นแล้วกันตอนผิดกันที่ความคิดแต่ว่ากันโดยละเอียด ความคิดเห็นที่ไม่รู้สึกรังเกียจลาภทุจริตนั้นด้วยมีอำนาจโมหะคือความหลงผิดก็ได้เหมือนกันแม้ทุก ว, วันนี้ความคิดเห็นของบางคนก็ชักจะแกว่งอยู่เหมือนกันคือเห็นว่าขึ้นชื่อว่าลาภไม่ว่าจะได้มาโดยทางสุจริตหรือทุจริตก็มีประโยชน์เท่าเท่ากัน เงินที่โกงเขามากับหามาด้วยน้ำพักน้ำแรงก็ซื้อของได้เหมือนกันอาหารที่ทำกินเองกับที่ขโมยกินก็กินอิ่มท้องเหมือนกันเพราะฉะนั้นการหาก็ไม่จําเป็นต้องเลือกทางคนที่โมหะครอบงำใจจนมืดจริงจริงเห็นเลยไปจนกระทั่งว่าการที่จะสอนให้เว้นจากทุจริตนั้น เป็นการถ่วงความเจริญของตนถึงอย่างนี้ก็มีจริงถ้าเรามองกันแค่อิ่มเราจะไม่เห็นความแตกต่างกันเลยระหว่างของที่ได้มาโดยสุจริตกับของที่ได้มาโดยทางทุจริตเพราะมันอิ่มเหมือนกันจริงๆไม่มีใครเถียงแต่พระพุทธเจ้าทรงสันเสริญคนหัวคิดยาวและทรงตำหนิคนหัวคิดสัน้น ซึ่งคิดอะไรก็ไม่พ้นตัวเช่นในเรื่องการกินอิ่มนี้ก็ต้องมองให้เลยอิ่มไปอีกว่าหลังจากอิ่มแล้วจะเป็นอย่างไรอะไรจะบังเกิดขึ้นอาหารที่มีเชื้อโรค ก, กับอาหารที่สะอาดถ้าจะเอากันแค่อิ่มแล้วก็อิ่มเท่ากันจริงไหมมองกันแค่อิ่มแล้วก็ไม่เห็นอะไรที่แตกต่างกัน แต่ถ้าตามดูต่อไปหลังจากอิ่มแล้วจึงจะเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นแก่คนทั้งสองไม่เหมือนกันคนกินอาหารมีเชื้อโรคหลังจากอิ่มแล้วจะรู้สึกไม่สบายท้องเสียหรือท้องร่วงผอมโซพลาดท่าเลยตายเลยส่วนคนกินอาหารสะอาดก็อิ่มเหมือนกันแต่หลังจากอิ่มแล้วสบายร่างกายอ้วนพี แข็งแรงอายุยืนลองเทียบกันดูสิอาหารมีเชื้อโรคกินอิ่มผลคือไม่สบายผอมอายุสั้นอาหารสะอาดกินอิ่มผลคือสบายดีอ้วนอายุยืนนี่แหละที่ว่าดูแค่อิ่มเท่ากันแต่หลังจากอิ่มแล้ว ไม่เท่ากันเรื่องลาบก็เหมือนกันกันกบอาหารคือลาบทุกอย่างที่มาถึงตัวแล้วทั้งทุจริตทั้งสุจริตกินได้ใช้ได้เหมือนกันถ้ามองแค่กินใช้ก็เท่ากันจริงๆคือเหมือนมองอาหารแค่อิ่มนั่นเองแต่หลังจากกินแล้วใช้แล้วมันไม่เหมือนกันผู้ยินดีในลาบที่หาได้โดยทางทุจริต เกิดร้อนตัวร้อนใจและตกนรกหมกไหมฝ่ายผู้ยินดีในลาบที่หาได้โดยสุจริตเกิดสบายตัวเย็นใจและไปสวรรค์การมองผลของการกินอาหารให้เลยอิ่มเป็นงานของคนฉลาดฉันใดการมองลาบที่หาได้ให้เลยกินเลยใช้ก็เป็นวิสัยของคนฉลาดเหมือนกัน ในเรื่องการคิดให้ไกลๆนี้พระพุทธเจ้าสงสอนให้สนใจเป็นอย่างมากฝึกตัวเองให้เป็นคนคิดการไกลไว้เสมอไม่ใช่เห็นแต่กินแต่ใช้อย่างเช่นเรื่องอาหารทว่ากันถึงคนสามัญทั่วไปแล้วในหมู่มนุษย์เ่านี้ดูจะไม่มีใครคิดไกลเท่าหมอคือคนสามัญชาวบ้านมองแค่ว่า ทำน่ากินหรือไม่กรอบดีไหมเปื่อยได้ที่หรือเปล่าแล้วพออิ่มไหมเท่านั้นเรียกว่ามองแค่จากสำรับไปถึงอิ่มฝ่ายหมอมองถอยหลังไปอีกว่าก่อนเอามาใส่สำรับได้เก็บไว้ในที่มิดชิดหรือไม่บางทีก็ย้อนไปถึงว่าก่อนที่มันจะเป็นอาหารสำเร็จนี้เครื่องปรุงต่างๆดีหรือไม่ มีวิตามินพอหรือไม่แล้วก็มองคืบหน้าไปจากอิ่มว่าอิ่มแล้วจะทำให้สุขภาพเสื่อมลงหรือดีขึ้นบางทีก็เลยไปถึงว่าจะทำให้อายุสั้นหรือยาวนี่หมอทีนี้พระพุทธเจ้ายังทรงสอนให้มองเลยหมอไปอีกทั้งข้างหลังทั้งข้างหน้าข้างหลัง หมอมองแค่คุณภาพของเครื่องปรุงอาหารว่ามีเชื้อโรคหรือไม่ส่วนพระพุทธองค์ทรงมองเลยไปถึงว่าเครื่องปรุงเหล่านั้นได้มาโดยทางทุจริตหรือสุจริตมีเชื้อบาบหรือไม่มีสำหรับการมองคืบหน้าหมอมองไปแค่ว่าจะทำให้ตายช้าหรือเร็วแต่พระพุทธองค์มองเลยไปถึงว่าตายแล้วจะไปนรกหรือสวรรค์ ถ้าจะเทียบสติติความคิดก็คงเป็นอย่างนี้ดูรูปที่สองใต้คลิปนี่แหละที่ว่าคิดสั้นคิดยาวคนสามัญคิดเพียงช่วงเดียวหมอคิดเลยคนสามัญไปข้างหน้าข้างหลังข้างละช่วงพระพุทธองค์ทรงสอนให้คิดเลยหมอไปอีกข้างละช่วงดังสถิติที่แสดงไว้นั้น ขอให้ท่านผู้ฟังตรองดูเองว่าความคิดขนาดใด ท, ที่จะทำความปลอดภัยให้แก่ตัวเองได้ดีที่สุดและความเห็นที่ว่าอิ่มเท่ากันนั้นนะ่ะเป็นความเห็นที่ถูกต้องดีแล้วหรือมีหลายคนที่ถือมติของสังคมเป็นใหญ่คือเขาว่าอย่างไรก็ว่าตามเขาหนักเขา้าเขาว่าโกงดีขโมยดีก็พลอยกับเขาด้วย บางทีก็ไปรุมติคนสุจริตว่าเสืรอซับจิปะถะถ้าท่านผู้ฟังได้บังเอิญไปเห็นอย่างนี้ข้าพเจ้าขอโทษขอสกิดเบาๆว่ามติของสังคมนั้นไม่ใช่ดีเสมอไปและก็ไม่ควรลืมเป็นอันขาดว่าการเข้าตารางการตายและการตกนรกมักจะเป็นงานที่เราต้องทำคนเดียว